บรรยายพระวินัยนักธรรมชั้นตรีมวนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์บุญมีจันทถูประมขอความรอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยจเจริญสุขท่านสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายวันนี้ก็จะได้พูดถึงพระวินัยซึ่งเป็นหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีเพื่อให้ นักเรียนนักศึกษาที่กําลังศึกษานังธรรมชั้นตรีได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยพระวินัยซึ่งเป็นหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีนี้อท่านกล่าวไว้เป็นเรื่องเรื่องถึงสิบเรื่องด้วยกันนักธรรมชั้นนี้ผู้ที่กําลังศึกษาก็พึงทราบแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเพื่อจะได้จํา และก็จะได้ใช้ในการดูให้แน่นอนกับการศึกษาของเราเรื่องที่กล่าวไว้ถึงสิบเรื่องนั้นท่านกล่าวเป็นกันกันเอาไว้สิบกันในกันกันที่หนึ่งนั้นว่าในเรื่องการอุปสมบทากันที่สองว่าด้วยพระวินัยกันที่สามว่าด้วยศิษขาบทกันที่สี่ว่าด้วยปาราชิกกันที่ห้า ว่าด้วยสังฆาทิเศษการที่หกว่าด้วยนิสกียปาจิตติกัรที่เจ็ดว่าด้วยปาจิตติการที่แปดว่าด้วยปาิเทศนิยะกันที่เก้าว่าด้วยอธิกรณสมถะและกันที่สิบว่าด้วยมาตราซึ่งก็มีสิบกันเดวกกันอ่ากันแรกอ่คืออุปสมบทานั้น ซึ่งเป็นการที่ว่าด้วยเรื่องของการบวชหรือการอุปสมบทการที่หนึ่งที่ว่าการอุปสมบทนั้นก็เป็นการที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับการบวตตั้งแต่ต้นมาโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงแสดงวิธีการบวตไว้หลายอย่างหลายประการด้วยกัน แต่ที่ปรากฏได้ชัดเจนนั้นมีอยู่สามวิธีสามวิธีก็คือวิธีที่หนึ่งเอหิภิกขุอุปสัมัทาได้แก่การอุปสมบทด้วยพระบรมศาสดาทรงทาเองอวิธีนี้ได้กล่าวเพียงแต่ว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดเท่านี้ก็เป็นภิกษุได้วิธีที่สอง เรียกว่าติสรณคมมนูประสัมภ์ธาอุปสมบทด้วยการให้สรณคมสามวิธีนี้ทรงอนุญาตให้สาวกทำได้อ่าวิธีที่สามยันติจะตุตกรรมอุปสัมภ์ธาอุปสมบทด้วยอ่ายันติกรำรอ่อด้วยกรรมมียันติเป็นที่สี่นี่มีสามวิธีด้วยกันอาวิธีแรกที่ว่าเอหีพิคุประสัมภทานั้น พระองค์ทรงประทานวิธีนี้คือการอุปสมบทด้วยวิธีนี้แก่โกนตรรัญญะสมัยที่พระองค์ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกับวัฒนสูตรแก่เบญจวัคคีทั้งห้าที่ป่าอิสิปตัตนะมฤคทายวันกลางเดือนแปดยวันอาสาหะเพนกลางเดือนแปดเมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมจักรกับวัฒนสูตร เบญจวัคคีทั้งห้าได้สดับฟังธรรมนั้นโดยเฉพาะโกนทัญญะได้เกิดดวงตาเห็นธรรมเมื่อเกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วพระองค์ได้ทรงทราบวาราจิตของโกนทัญญะว่าเกิดดวงตาเห็นธรรมโดยได้กล่าวเป็นอ่ไปในลักษณะว่าอสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นของธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา ก็คือได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็ขอบวชในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ท่านก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุโดยกล่าวว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกเถิดเพียงเท่านี้เองก็เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา ัญญาโกนธัญญานี่ได้รับการอุปสมบทด้วยวิธีนี้เป็นคนแรกและก็หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงใช้วิธีบวช ด, ด้วยพระองค์เองอย่างนี้คือวิธีเอหูปิเอหิปิคูปสัมปทานมาเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเมื่อภิกษุสาวกมีมากขึ้นพอสมควรในการที่จะส่งไปประกาศศาสนาในคราวแรกซึ่งปรากฏว่ามีสาวกเกิดขึ้น หกสิบองค์พระองค์ได้ประชุมสาวกเหล่านั้นและก็ส่งไปประกาศศาสนาในที่ต่างๆโดยทรงตรัสแก่สาวกซึ่งเป็นพระอรหันต์เหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายอาจงจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากอาจาริกไปเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากจาริกไปเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกพระสงฆ์เหล่านั้นก็ได้อ น้อมรับและก็ปฏิบัติตามพุทธโอวาทอันนี้ก็จะิกไปแต่ละทิศแต่ละแห่งโดยไปตำบลละหนึ่งรูปหนึ่งรูปก็ปรากฏว่าได้มีกุลบุตรเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีความประสงค์ในการที่จะบวชพระสาวกเหล่านั้นก็จึงได้พากุลบุตรเหล่านั้นมาเฝ้าพระศาสดา เพื่อจะให้พระองค์ได้ทําการอุปสมบทหรือบวชให้พระพุทธองค์ท่านทรงเห็นความลําบากของพระสาวกเหล่านั้นก็จึงประทานวิธีอีกวิธีหนึ่งเพื่อให้สาวกทําเองโดยไม่ต้องลําบากก็คือทรงอนุญาตวิธีที่สองซึ่งมีชื่อว่าติสนะกัมมนูปสัมปทาโดยให้ผู้ที่บวชนั้นลงผมโกนหนวดตัดเล็บ และก็นุ่งผ้ากาสายะรับไตรสันคมสามก็คือถึงานตรเอพระระัตนตรัยทั้งสามคือพระพุทธรธรรมพระสงฆ์นั่นเองเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกกราบเท้าพิสุทั้งหลายก็เป็นพิสุในพระพุทธศาสนาวิธีนี้เรียกว่าสิสนคมานูประสัมปทาสาวกรรมเองได้ภายหลังต่อมาอีกก็คือพระาศาสนาของพระพุทธองค์ได้แผ่ แอกระจายทั่วไปมีคนเลื่อมสายมากมายพระพุทธองค์ท่านทรงมีความประสงค์ในอันที่จะให้พระสงฆ์บริหารหมู่คณะก็จึงประธานการอุปสมบทให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการอุปสมบทก็คือให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการที่จะรับบุคคลเข้ามาเป็นสมาชิกเรียกว่าการบวชวิธีนี้เรียกว่ า, าวววยติจตุตะกรรมอุปสำปทาก็ คือการให้สวดอนุสาวราสามครั้งและก็สี่ทั้งยัติเนี่ยคนที่จะเข้ามาอุปสมบทก็จะต้องบวช ด, ด้วยวิธีนี้ซึ่งเราก็ใช้กันมาจนป็นปัจจุบันนี้เรียกว่าวิธีที่ให้สงเป็นใหญ่ในการรับบุคคลเข้ามาเป็นสมาชิกหรือเป็นใหญ่ในการที่จะให้การอุปสมบทแก่คนบวชผู้มีศรัทธาฉะนั้นการบวชจึงมีอยู่สามประการด้วยกัน คือเอหิภูปิปทาพระาศาสดาทรงทำเองติสาระกานูปุษ า, าสาวกทำเองได้โดยได้รับอนุญาตจากพระพุทธองค์อายาติจตุตกรรมอุปสัมบทาก็คือให้สงเป็นใหญ่ในการอุปสมบทนี้การอุปสมบทเมื่ อ, อาภายหลังมาพระาศาสดาก็ทรงอนุญาตให้ใช้วิธี คือทรงเลิกวิธีติสติสนักคำนวณสัมตาแล้วก็ทรงอนุญาตให้ใช้บวชเป็นสมณเณรได้ฉะั้นสมเณรที่บวชปัจจุบันนีะก็บวชสาเร็จด้วยติสันักคำนวณสมมตาก็เป็นสมณเณรได้ฉะนั้นเราก็ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้ฉนั้นเมื่อมีการบวชทั้งสองฝ่ายคือบวชทั้งเป็นสมเณรบวชทั้งเป็นพระการบวชก็จึงใช้ชื่อเรียกแตกออกต่างออกไปบวชเป็นสมเณรเรียกว่า ใชติสนากรรมุปสัมปทาเรียกกันภาษาง่ายๆว่าปันปชาวะปะชาและก็อุปสมบทเป็นอุปสมทเป็นพิสุก็เรียกว่าอุปสมอุปสัมปทาหรืออุปสมบทจึงมีการาชื่อบวชเป็นสองอย่างบรรปชาบวชสมณีอุปสมบทก็คือบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนานี้การบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนานั้นก็อทรงให้สงเป็นใหญ่ดังที่ได้กลา่าวในสงนั้น ไม่ได้หมายเอาภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนที่สามัญ ท, ทั่วไปเข้าใจกันแต่สงฆ์ในที่นี้มุ่งหมายเอาภิกษุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปนะสี่รูปขึ้นไปสามารถที่จะทํากิจนั้นๆให้สําเร็จได้เช่นสงฆ์สี่รูปนี้ในทางเอพระวินัยได้เรียกกันว่าจตุวักคือมีพวกสี่ปัญจวักมีพวกห้า พระสวัสดิ์มีพวกสิบวีสติวัคมีพวกยี่สิบดีสงที่สงอนุญาตที่ไม่เท่ากันนั้นก็เนื่องจากว่ากรรมบางอย่างก็ไม่จําเป็นต้องใช้สงมากเกินไปก็ทําสําเร็จได้เช่นจะตัววัดมีพวกสี่นี้ก็จะใช้ทําสังฆกรรมที่เกี่ยวกับการทําสังฆาโบสถให้ปริวาสให้มานัตให้ปฏิกัตินา ก็สามารถทำได้ปัญจวัคมีพวก5้านี่ก็สามารถทำสังฆกรรมอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกเช่นทำสังฆปวรารณารพ้ากถินอุปสมบทแก่กุลบุตรในปัจจันตชนบทคือในที่ไม่เจริญในที่ห่างไกลจากความเจริญก็ทำได้ถ้าสาวอมีพวกสิบพวกสิบนี้ก็ ทำกรรมที่ใหญ่ขึ้นเพิ่มขึ้นมาอีกเช่นการให้อุปสมบทแก่กุลบุตรในมัธยมประเทศหรือมัชิมะช น, นบทได้แก่ที่เจริญก็ใช้พระสิบรูปในการทําสังฆ ก, กรรมก็เพิ่มขึ้นมาอีกส่วนวิศติวัตรมีพวกยี่สิบนั้นก็ทําสังฆ ก, กรรมได้ทุกอย่าง แต่ว่าวิสติวัรน์มีมีสังฆกรรมอันหนึ่งที่ใหญ่มากก็คือการให้อภานกรรมแก่ภิกษุผู้ประพฤติปุถานวิธีครบถูกต้องตามพระวินัยนิยมรมุทธานุญาต ก, ก็ให้สงฆ์ยี่สิบรูปทำสังฆกรรมเกี่ยวกับการออกอภารนะมีสงฆ์ยี่สิบรูปขึ้นไปจึงจะทำได้ฉะนั้นสงฆ์จึงไม่ได้หมายเอาภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแต่หมายเอาภิกษุ ที่เป็นพักเป็นพวกาตามสมควรที่ทรงอนุญาตไว้ให้ทำสังฆกรรมนั้นนั้นนิการทาสังฆกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการอุปสมบทหรือการบวชนี้อาการบวชนี้จะต้องมีพิธีกรรมที่จะทำให้สำเร็จได้คือสำเร็จเป็นภิกษุได้ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับสมบัติท่านเรียกว่า สมบัติในการอุปสมบทสมบัติในการอุปสมบทนี้สำคัญมากถ้าหากว่าทำผิดพลาดหรือว่าไม่ครบไม่ถูกต้องแล้วก็จะทำให้การบวชนั้นไม่สำเร็จคือไม่เป็นทิสุในพระพุทธศาสนานั่นเองดันั้นสมบัติในการอุปสมบทนี้ท่านกล่าวว่ามีถึงห้าอย่างในกันที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจโดยเฉพาะนักธรรมชั้นตรีนั้น ก็สมบัติห้าประการนี้มักจะออกบ่อยฉะนั้นท่านทั้งหลายที่กำลังศึกษานักธรรมชั้นตรีก็ควรที่จะดูตรงนี้ให้มากๆและก็ท่องจำให้ได้เกี่ยวกับสมบัติจะได้ไม่ขัดข้องเมื่อมีปัญหาถามเกี่ยวกับเรื่องนี้สมบัติของการอุปสมบทมีห้าประการนั้นก็ประการที่หนึ่ง เรียกว่าวัตถุสมบัติประการที่สองปริะสมบัติประการที่สามสีมาสมบัติประการที่สี่ยติสมบัติอคือกรรมวาจาสมบัติประการที่ห้าอนุสาวรนาสมบัติรวมเรียกกันว่าอสมบัติห้าประการสมบัติห้าประการนี้ประการที่หนึ่งว่าวัตถุสมบัตินั้นหมายถึงอะไรวัตถุสมบัตินั้นหมายถึงผู้ที่จะบวช ต้องเป็นชายมีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์นะเป็นชายและก็มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์นับตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นต้นมาและก็ไม่เป็นมนุษย์วิบัติไม่เป็นมนุษย์วิบัตนินี้ก็หมายถึงว่ามนุษย์วิบัติได้แก่มนุษย์ที่ถูกตอนหรือมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับเป็นบรรดะหรือเป็นกระเทยนี่อุปสมบทไม่ได้ นั้นไม่ไม่เป็นมนุษย์ิบัติเช่นนั้นและก็ไม่ใช่คนทำผิดอย่างร้ายแรงคนทำผิดอย่างร้ายแรงนี่เช่นฆ่ามารดาบิดาเหล่านี้เป็นต้นก็อุปสมบทไม่ขึ้นนะและก็ไม่ใช่คนทำความเสียหายให้แก่พระพุทธศาสนาอย่างนะักเช่นเป็นปาราชิก ค, คือเป็นอาบัติปาราชิกเมื่อบวชคราวก่อนอย่างนี้ก็บวชไม่ได้นะ ดังนั้นไม่เป็นมนุษย์วิบัติไม่เอใช่คนทำผิดอย่างไร้ยแรงหรือว่าไม่ใช่คนทำความเสียหายให้แก่พระพุทธศาสนาคือไม่เคยต้องอบัตรประสิทธิ์มาก่อนก็ชื่อว่าเป็นวัตถุสมบัตินะเป็นวัตถุสมบัตินีิสมบัติประการที่สองก็คือปริศสมบัติปริศสมบัตินี้หมายถึงการประชุมการประชุมต้องถูกต้องตามพระวิ น, นัยการประชุมนั้นเอ ถ้าหากเป็นในปัจจันตะชนบทคือในที่ปลายแดนหรือในที่ไม่เจริญนั้นทรงอนุญาตให้มีสงในการทําการอุปสมบทนั้นห้ารูปขึ้นไปดังนั้นการประชุมก็ต้องครบองค์ถ้าในมัชชิมะชนบทหรือในในมัธยมประเทศได้แก่ที่เจริญหาพระง่ายก็ต้องมีตั้งแต่สิบรูปขึ้นไปเข้าประชมุมเมื่อประชุมครบถูกต้อง ตามพระวนัยแล้วเรียกว่าปริสสะสมบัติเนี่ยนี่สมบัติประการที่สามที่ว่าสีมาสมบัติอันนี้หมายถึงว่าการประชุมของภิ่ษุที่จะทำสังฆกรรมนั้นจะต้องประชุมในเขตในสีมาที่มาแปลว่าเขตแดนนะประชุมในสีมาเดียวกันหมดและก็องที่ไม่ประชุมนั้นก็จะต้องมอบฉันทะจึงจะทำการ อ, าอุปสมบท ในที่เช่นนั้นได้ถ้าหากว่าไม่ให้ฉันทะอย่างนี้ก็ทําการอุปสมบทไม่ขึ้นคือไม่ถูกต้องนั่นเองนั้นการประชุมแม่จะครบองค์กําหนดแล้วก็จะต้องประชุมในที่อันเดียวกันในสีมาอันเดียวกันอผู้ที่ไม่ได้เข้าประชุมก็ต้องให้มอบฉันทะหนาหมายถึงสีมาใหญ่ที่เราอยู่ร่วมกันจะต้องลงประชุมในที่เช่นนั้นจึงได้ชื่อว่าสีมาสมบัติถูกต้องและก็เออ ประการที่สี่ที่ว่ า, ากรรมวาจาสมบัติกรรมวาจาสมบัตินี้ก็หมายถึงการสวดการสวดให้การอุปสมบทก็จะต้องทาให้ถูกต้องตั้งยติระบุชื่อผู้อุปสมบทระบุอุปชาและระบุสงฆ์ที่เขา้าประชุมในการให้การอุปสมบทอย่างถูกต้องเรียกว่าต้องสวดยติครั้งหนึ่งอนุาสาวรีสาวนารอีกสามขน จึงจะถูกต้องตามหลักเรียกว่ากรรมวาจาสมบัตินและก็ประการสุดท้ายคือปุพกิจปุพกิจนี้เป็นหน้าที่ที่พระอุปัชฌายะจะต้องตรวจตราซึ่งเป็นเจ้ากี้เจ้าการในการให้การอุปสมบทก็จะต้องตรวจตราดูความเรียบร้อยในเบื้องต้นก่อนที่จะสวดประกาศนปุพกิจนี้จะต้องทําก่อนสวดในก่อนที่จะสวดประกาศอ ในการอุปสมบทฉะนั้นผู้ประกิตนี้ประการหนึ่งก็คือต้องตรวจตราดูผู้จะอุปสมบทให้เป็นผู้สมควรว่ามันถูกต้องไหมอย่างไรและก็อุปัชายะนั้นก็จะต้องรับผิดชอบต้องตรวจตราดูบริขารที่จําเป็นอะไรที่จําเป็นในการอุปสมบทนี่ก็ต้องดูให้พร้อมและก็ผู้อุปสมบทนั้นก็ต้องเปล่งคําขอด้วยตนเองได้ ปุปกิจนะฉะนั้นสมบัติทั้งห้าประการนี้เป็นสมบัติที่สำคัญในการอุปสมบทถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะทำให้การอุปสมบทหรือบวชนั้นใช้ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะใช้ไม่ได้ฉนั้นถ้าพร้อมแล้วก็ใช้ได้สมบัติท่าประการนี้ถ้าหากว่าทำไม่ถูกก็จะกลายเป็นวิบัตินะ เช่นถ้ากลายเป็นวิบัติก็วิบัติก็วิบัติห้าประการเช่นเดียวกันตรงกันข้ามกับสมบัติวิบัติห้าประการาก็จะได้แก่วัตถุวิบัติหมายถึงว่าผู้บวชนั้นก็ออาจจะไม่ไม่เป็นชายหรือมีเป็นชายแต่อายุไม่ครบนี่ก็เป็นวิบัติไปยกตัวอย่างเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นก็อนักท่านทั้งหลายก็พึงทราบว่าวิบัติก็ตรงกันข้ามกับสมบัติที่อเราจะต้อง ทำความเข้าใจและพยายามดูตรงนี้ให้มากมากทำความเข้าใจตรงนี้ให้มากๆแล้วเราก็จ ะ, ะทําให้ไม่ขัดข้องในเวลาต่อมาอีกทีนี้เมื่อการอุปสมบทเราได้เข้าใจแล้วว่าการอุปสมบทนั้นมีกี่วิธีวิธีอะไรบ้างและก็วิธีที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนั้นเป็นวิธีอย่างไร แนวะวิธีที่เใช้อยใ่ปัจจุบันนั้นก็ย้ําอีกว่าก็ได้แก่วิธีใช้ยติยติจตุตะกรรมอาวาจจาใช้ในการอุปสมบทมาจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนวิธีที่ให้การบวชสมณีหรือบวชชาเป็นสมณีนั้นก็ใช้ติสนะโกมปะสมปทามาจนถึงปัจจุบันนี้ทีนี้การในการนี้คือการที่หนึ่งคู่ปะสมปทาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการบวช เมื่อพูดถึงเรื่องของการบวชแล้ว ก, ก็จำเป็นจะต้องพูดถึงเรื่องของอนุศาสตร์อนุศาสตร์แปดอย่างอนุศาสตร์แปดอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ในเบื้องต้นเพราะว่าการบวชเมื่อบวชเป็นภิกษุแล้วอุปชายยะก็จะให้อนุศาสตร์ทันทีอนุศาสตร์คืออะไรอนุสาสตร์นั้นก็คือคาสอน คำตามสอนหรือคำพร่ำสอนของอุปชายะจะพึงสอนแก่สัตว์ิวิหาริกผู้อุปสมบทใหม่ๆคือคำสั่งสอนคำพร่ำสอนของอุปชายะจะพึงสั่งสอนแก่สัตธิวิหาริกหลังจากอุปสมบทเสร็จใหม่ๆเพื่อให้ผู้ที่อุปสมบทคือพระที่บวชใหม่นั้น ได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในการที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างไรและก็ในการที่จะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่กระทาไม่ได้เป็นเหตุให้อาจจะเกิดอันตรายแกี่กัรปรจจรรุบันฉะนั้นอุปจยะก็จะพึงสอนในเบื้องต้นให้ได้รู้ได้เข้าใจอนุศาสตร์นี้มีแปดอย่างนะ จัดเป็นนิสัยสี่อกรณียกิจสี่นิสัยนั้นปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตเรียกว่านิสยัยมีอยู่สี่อย่างคื อ, อเที่ยวบินธบาท1หนึ่งุ่งห่มผ้าบางสกุลหนึ่งอยู่โคนไม้หนึ่งฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าหนึ่งนิสัยสี่ เที่ยวบินธบาตินี้ก็เป็นเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้บวชเข้ามาใหม่จะต้องอาศัยคือจะต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วเราจะได้ปฏิบัติเพราะว่าการเป็นอยู่ของพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานั้นก็จะต้องอาศัยการบินธบาติเพื่ อ, อยังชีวิตให้เป็นอยู่เพราะไม่ได้มีการทําไร่ทํานาค้าขายเหมือนกับ ผู้ที่ครองคารวา่านั้นจะต้องอาศัยบีแข้งหรืออาศัยการบินทบาตรตามละแวกบ้านผู้มีศรัทธาก็จะได้บำเพ็ญกุศลตักบาทเราก็จะได้อาศัยข้าวที่ชาวบ้านได้ใส่มานั้นในการที่จะมรงชีวิตอยู่ตามสมควรว่าเราจะต้องบินธบาตรกันอย่างไร ันการบิณฑบาตนี้เป็นเป็นกิจอันหนึ่งของผู้ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาะเรียกว่กากิจวัตรบิณฑบาตเลี้ยงชีวิตการบิณฑบาตเลี้ยงชีวิตนี้จึงเป็นสิ่งที่เอผู้ที่บวชเข้ามานั้นไม่ควรที่จะละเลยคือควรที่จะเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าของเรานั้นอนพระองค์ก็ได้ทรงปฏิบัติเป็นประจำเป็นกิจวัตรเลย ในพุทธกิจของพระองค์นั้นพระองค์ก็มีอยู่ข้อหนึ่งว่าต้องบินธบาตนั้นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของมนุษย์และเป็นเทวดาก็เรียกว่าพระองค์นั้นเป็นครูสอนทั้งมนุษย์และโคสอนทั้งเทวดาแต่พระองค์ก็ยังต้องเสด็จออกบินธบาตันการบินธบาตจึงเป็นสิ่งสำคัญผู้ที่ฉลาดท่านบอกว่าการบินธบานี้ได้คุณธรรมถึงห้าประการ แต่ว่าเราบินธบัตทุกวันไม่ค่อยจะได้คิดเท่าไหร่นักหรอกแต่ผู้ที่มีความฉลาดท่านท่านได้แยกแยกออกมาให้ให้เห็นว่าการบินธบาติได้ประโยชน์ถึงห้าประการด้วยกันห้าประการนั้นประการที่หึ่งท่านบอกว่าได้จเจริญตามรอยโขนบาทของพระพุทธเจ้าประการที่สองได้มีโอกาสออกกําลังในตอนเช้าที่ไม่ผิดวินไย ประการที่สามทำให้รู้สึกสำนึกในคนของผู้ที่เป็นแม่คือเป็นโยมแม่ประการที่สี่ทำให้เห็นทุกในการแสวงหาอาหารและก็ประการที่ห้าคือประการสุดท้ายก็จะทำให้รู้สึกสำนึกในหน้าที่ของตนของตนห้าประการด้วยกันประการแรกที่ว่าได้เจริญตามรอยโคนบาทของพระพุทธเจ้านั้นอย่างไร ข้อนี้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาศึกษาถึงพุทธกิจของพระพุทธเจ้าพุทธกิจของพระพุทธเจ้าเนี่มีอยู่ห้าประการประการหนึ่งว่าปุพันเหเป็นทปาตัญจ่เวลาเช้าพระองค์ทรงสเสด็จออกบินธบาตโรปรดสัพสัตว์ทั้งหลายนะสายญเหธรรมเทสนังเวลาสายพระองค์ก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาปโปรดแก่พุทธบริษัท โทอเสพิคุโอวาทางังเวลาคำ่ำพระองค์ก็ทรงให้อวาดประธานอวาดแก่ภิกษุทั้งหลายอัทรัตเตเทวปันหังเวลาเที่ยงคืนพระองค์ก็ทรงแสดงการแก้ปัญหาตอบปัญหาแก่เทวดาที่มาทูลถามปัจจุเสวคเตกาเลพพาพภเพวิโลกนะังเวลาใกล้จะสว่าง พระองค์ก็ทรงทอดพระเนตรแผ่พระยานดูสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ควรจะเสด็จไปโปรดอย่างไรนี่พระองค์ทรงทมอยู่เป็นกิ จ, จวัตรประจำวันเรียกกันว่าพุทธกิจโดยเฉพาะในข้อที่หนึ่งที่ว่าปุกพันเหปินท่าปาตันจะเวลาเช้าเนี่ยทรงเสด็จออกบินทาบาทนี่จะเห็นว่า พระพุทธองค์ท่านเสด็จออกบินทบาทเป็นประจำทุกเช้าทุกเช้าเลยแม้จะเป็นพระพุทธเจ้าแม้จะไม่ไปก็คงก็เรื่องอาหารก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะอดพูด ง, ง่ายว่าไม่มีโอกาสที่จะอดเพราะว่ า, าพระองค์นั้นเป็นที่เคารพเลื่อมใสของมนุษย์เทวดาทั้งหลายก็จะต้องเอามาถวายเป็นประจำ โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งที่เมืองสาวัตถีอนาถบินิกาเศรษฐีกับานางวิสาขามหาอุบาสิกาเนี่ยตามประวัตินั้นว่าทั้งสองนี้เข้าวัดไม่เคยมีมือเปล่าเลยจะเข้าในตอนเช้าเลยจะเข้าในตอนเย็นหรือจะเข้าในตอนไหนก็ไม่เคยมีมือเปล่าเข้าไปฉะนั้นพระพุทธองค์จะไม่เสด็จบิณฑบาต ก็จะต้องมีคนเอามาถวายแต่ว่าพระองค์ทรงสเสด็จบินธบาตเป็นประจำทุกวันทุกวันทางนี้ทางนั้นถ้าหากพิจารณาดูให้ละเอียดแล้วก็เป็นพระมหากรุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าที่สเสด็จออกบินธบาตเพื่อจะได้มีโอกาสได้โปรดกับผู้ที่ไม่สามารถจะมาทำบุญที่วัดได้ เช่นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนที่มีคันแก่อย่างนี้จะมาทำบุญที่วัดก็มาไม่ได้พระองค์เสด็จไปด้วยพระองค์เองถึงบ้านถึงหน้าบ้านคนเหล่านั้นก็สามารถที่จะบาเพ็ญกุศลทาบุญตักบาตรกับพระองค์ได้เช่นในเรื่องของมัดดกรุณาลีเป็นตัวอย่างมัดดกรุณลีนี้ก็เป็น เ, เป็นลูปของเศรษฐี ที่มีความตระหนี่มากเศรษฐีหรือว่าอทินกะบุปกปกระกาศเศรษฐีเนี่ยเป็นเศรษฐีที่ไม่เคยให้อะไรแก่ใครง่ายๆมีลูบอยู่คนเดียวก็คืออมัตตากุาลลีคนนี้นายตุ้มหูคนนี้แหละซึ่งเป็นที่รักของอเศรษฐีเป็นอย่างยิ่งอตอนอ่ในคราวหนึ่งได้กล่าวว่ามัตตากุาลลีคนนี้ได้เจ็บไข้ป่วยขึ้นมา อผู้ที่เป็นพ่อก็พยายามในการที่จะรักษาเหมือนกันแต่ก็อกลัวทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นั้นจะหมดไปด้วยการที่ต้องรักษาด้วยวิธีอื่นก็จึงได้ใช้วิธีที่ว่าไปถามดูใครที่มีความรู้หมอคนไหนที่มีความรู้ในการที่จะใช้ยาอะไรจะรักษาโรคเค็นนี้ได้ ก็ได้รับบอกเล่าเรื่องต้นไม้เรื่องอะไรต่ออะไรซึ่งเป็นยาก็ไปหามาให้ลูกกินต้มให้ลูกกินแต่ก็ไม่อาจสามารถที่จะหายได้ในในที่สุดก็ลูกก็ค่อยๆผอมและก็ในที่สุดก็จะตายให้ได้นี่ความตระหนีเหนียวแน่นในการที่จะไม่อยากจะให้ใครง่ายๆเรื่องคลับสมบัติอะไรก็จึงเป็นเหตุให้ลูกชายของตนเนี่ยจะเสื่มชีวิตเสียชีวิต ในที่สุดก็คิดว่าจะต้องเสียชีวิตแน่แน่ถ้าจะให้รูปอยู่ในบ้านอก็คงจะเป็นอันตรายแก่ทรัพย์ก็คนจะต้องมาเยี่ยมมาเห็นทรัพย์สมบัติก็จะทําให้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะได้นำรูปมาไว้ที่ชานนอกบ้านนี่แหละเป็นเหตุในพระองค์คือพระพุทธเจ้านทรงทอดพระเนตรแผยพยานเห็นว่ามัตตากุณลีผู้นี้ควรที่จะเสด็จไปโปรดพระองค์ก็เสด็จไปโปรดเมื่อเสด็จไปก็ได้แผ่ฉับภวันรังสีแวบไปถึง มดดากรุณาลีพอเห็นเท่านั้นก็พยายามที่จะพลิกตัวมาดูแต่ก็คลิกด้วยอาการยากแต่ก็สามารถพลิกมาดูเห็นพระพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชั่วขณะแวบเดียวควรที่จะเสด็จไปโปรดพระองค์ก็เสด็จไปโปรดเมื่อเสด็จไปก็ได้แผ่ชับวัรังสีแวบไปถึง มดดากาลุลลีพอเห็นเท่านั้นก็พยายามที่จะพลิกตัวมาดูแต่ก็พลิกด้วยอาการยากแต่ก็สามารถพลิกมาดูเห็นพระพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชั่วขณะแวบเดียวและก็มาคิดว่าแหมเรามาเกิดในตะกูลมิจฉาทิฐิไม่เคยเลยที่จะมีการบําเพ็ญบุญบาเพ็ญกุศลแต่ว่าก็มีโอกาสได้เห็นพระพุทธเจ้าถึงขนาดได้เกิดความเลื่อมใสและก็เสียชีวิตไป ด้วยอํานาจแห่งการศรัทธาเลื่อมใสแค่นิดเดียวเท่านั้นยังส่งผลให้มัณโ ก, กรลีนั้นไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในเทวภูมิได้อันนี้พระองค์ทรงสเสด็จไปโปรโดยอย่างนี้ดังนั้นถ้าหากไม่สเสด็จไปบิณฑบาตแล้วก็ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็คงไม่มีโอกาสได้ทําบุญเช่นนั้นนี่พระพุทธองค์ทรงปฏิบัติเป็นกิจจวัตรประจําวันอย่างนี้นั้นเราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นปุถุชนคนเดินดินธรรมดามีกิเลสหนาะแน่นอยู่ เราจะไม่ปฏิบัติตามอย่างนั้นหรือจันกิจที่บินฑบาตนั้นจึงเป็นกิจที่สําคัญที่เราจะต้องปฏิบัติกันอยู่สม่ําเสมอจเจริญตายรอนรอโยคนบาตของพระพุทธเจ้าเนี่ยประการที่หนึ่งได้จเจริญตามรอยยคนบาตของพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ได้ปฏิบัติเป็นกิ จ, จวัตรประจําวันอประการที่สองเออก็คือได้มีโอกาสออกกําลังกายตอนเช้าเพราะตอนเช้าเานี่เป็นอ่า โอกาสที่ทำให้ได้รับอากาศดีๆเราไปบินธบาติเนี่ก็คือการออกกำลังกายชนิดหนึ่งตามในของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเราเดินออกไปก็ได้สูดลมอากาศที่ดีๆซึ่งตอนเช้าๆนี่อากาศดีก็เป็นการออกกำลังกายได้รับอากาศที่ดีแล้วก็การเดินไปสู่ละแวกบ้านน้อยบ้านใหญ่ก็ต้องอาศัยเวลาการเดินปันพอสมควร การเดินนี่คือการออกกำลังกายและ ก, ก็การออกกำลังกายในยลักษณะของการบินทบาทนั้นไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดวินัยนั่นเองแต่ว่าเป็นเหตุให้คนเลื่อมใสก็จะเห็นได้ว่าพระสงฆ์ที่ออกบินทบาทเนี่ยมีผู้ที่มีศรัทธาได้นำอาหารต่างๆมาใส่บาตรด้วยศรัทธานี่ออกบินทบาทจึงเป็นการออกกาลังกายที่ได้ประโยชน์ได้ผลทั้งในด้าน กำลังและก็ทั้งในด้านอาหารที่เราได้มาจากผู้มีศรัทธาดันั้นการบินทบาตจึงเป็นสิ่งที่เราควรได้ประการที่สองก็คือได้ออกกำลังกายในตอนเช้าผู้ที่ไม่บินทบาตินี่จะเห็นว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไรโรคภัยไข้เจ็บมักจะเบียดเบียนอยู่บ่อยๆแต่ผู้ที่ออกบินทบาตเป็นประจานั้นจะมีความแข็งแรง นะแข็งแรงผู้ที่มีความแข็งแรงกำลังดีก็สามารถได้จะต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยแทนการบินทบาตจึงไม่ไม่ควรที่จะเกียดครานควรที่จะเอาใจใส่ในการบินฑบาตประการที่สามที่ว่าการบินทบาตนั้นทำให้มีความรู้สึกสำนึกในคนของแม่อันนี้ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่เราท่านทั้งหลายควรพิจณาให้รอบคอบ ก็ดูลักษณะของการบินธบาตการบินธบาตรนั้นเราเอาบาทไว้ภายในจีวรแล้วเรากา็เดินไปสู่บ้านหรือสู่ที่ต่างๆที่เราจะไปบินธบาตรนั้นลักษณะท่าทางการเดินของเรานั้นก็คล้ายๆกับคนที่ตั้งคันตั้งท้องนั่นเองเราอุ้มบาทเดินไปชาวบ้านที่มีศรัทธา เอาข้าวมาใส่บาตรตักไปบาตร ท, ทพีหนึ่งก็ความหนักของบาตรก็ปรากฏเกิดขึ้นหน่อยหนึ่งเราเดินต่อไปคนมีศรัทธาก็มาใส่เรื่อยไปเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าทพีจนถึงสิบทพีหรือบางทีก็เต็มบาตรเลยทีเดียวเราเดินไปไกลพอสมควรจะรู้สึกว่ามันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นถ้าเต็มบาตรก็ยิ่งจะหนักมากขึ้นเป็นทวีคูณนี่ นี้เราหนักขึ้นหนักขึ้นอย่างนี้เนี่ยบางทีเราก็เหงื่อไหลคล ย, ย, ย้อยหรือบางทีเราก็จิตใจงูห ง, งิดเพราะมันหนักนะมันหนักกว่าจะกลับมาถึงวัดนี่ถ้าเราไปบินธบาสักสามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งก็ปรากฏวันหนักพอสมควรเหมือนกันบางทีก็รู้สึกว่าผู้ที่อดทนน้อยก็อาจจะบ่นอย่างนั้นอาจจะบ่นอย่างนี้ก็ได้นี่ความหนักของเราที่ไปบินธบาสแต่ถ้าเรามาคิดดูอีกหนหนึ่ง ว่าผู้ที่ตั้งท้องประคองคันเรามานั้นคือผู้ที่เป็นมารดาหรือว่าโยมแม่ของเราเนี่ยหนักขนาดไหนไม่ใช่หนักแค่สามสิบนาทีหรือไม่ใช่หนักแค่ชั่วโมงนะหนักมากกว่านั้นหนักถึงแปดเดือนเก้าเดือนหรือบางคนก็ถึงสิบเดือนก็มีและก็หนักตลอดเวลาหนัก นั่งก็จะต้องหนักนอนก็จะต้องหนักเดินก็ต้องหนักอะไรอะไรก็ต้องหนักเรียกว่าอุ้มท้องประคองคันอยู่ตลอดเวลาพอได้เจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนก็ปรากฏว่าท้องแก่เนี่ยคนที่ท้องแก่ไปไหนก็ลําบากจะกินอะไรจะบริโภคอะไรก็แสนที่จะลําบากยากนั้นมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนพอสมควรอุ้มท้องประคองคันมาจะกินจะนอนจะนั่งอะไรก็แล้วแต่แหละ ท้ออุ้มท้องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยท่านหนักมากน้อยแค่ไหนเนี่ยท่านยังทนอดทนต่อความหนักอดทนต่อความทุกข์ต่างๆเพราะความรักของลูกของเราที่อาศัยท่านเกิดมาเนี่ยท่านอดทนมากน้อยแค่ไหนเราแค่สามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงไปบิณฑบาตเนี่ยเราหนักขนาดนี้แล้วแล้วเรากลับมาเราก็วางซะเราก็ไม่หนักอะไรแต่ อายมแม่ของเราที่เรามาอาศัยเกิดนั้นไม่ใช่อย่างหนักแค่นั้นไม่มีเวลาวางเลยตลอดเ้าเดือนนี้ไม่มีวางเลยตลอดเวลาหนักมากเหลือเกินนะหรือถ้าหากว่ายกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าเราไปบินธบานนี่ก็เกิดอะไรไล่ทําร้ายเรายกตัวอย่างเช่นอาจจะอยาบนิดหน่อยนะก็คือเช่นว่าสุนัขไล่กัดเนี่ยบางทีเราก็อาจจะวิ่งหนีทิ้งบาทเพื่อเอาตัวรอดก็คงทําได้ แต่ถ้าหากว่าแม่หรือโยมแม่ของเราเนี่ยไปเช่นนั้นเกิดสิ่งนั้นไล่กัดเนี่ยท่านจะกล้าทิ้งเราวิ่งหนีเอาตัวรอดได้ไหมไม่กล้าเพราะว่าเราไปอาศัยท่านเกิดท่านก็รักเรามากเออนี่ฉะนั้นเราจะได้ความรู้สึกนึกคิดว่าเราไปวินตบาทแค่นี้เราก็หนักแล้วแต่แม่ของเรานั้นหนักมากยิ่งกว่านี้หลายเท่าทีเดียวท่านยังอดทนได้ เนี่ยทำให้เรารู้สึกสำนึกในคุณของท่านและท่านรักเราอย่างไรหรือที่ท่านจะต้องอุ้มท้องประคองคันถึงขนาดนั้นอันนี้แน่เลยเกินว่าท่านรักเราอย่างบริสุทธิ์ใจรักเรายิ่งกว่าอะไรทั้งสิน้นกล้าเสียสละเอาชีวิตแรกสู้กับ เ, เพื่อเอาชีวิตของลูกเอาไว้ได้และก็ท่านทั้งหลายลองคิดดูตอนที่ เราคลอดออกคลอดเราออกมาหรือวันเกิดเรานั้นโยแม่บางคนเนี่ยสลบแล้วสลบเล่าเกือบจะเอาชีวิตไปไม่รอดเพราะการคลอดของเรานี่จะเห็นไหมบางคนเนี่ยสลบแล้วสลบเล่าเส้นใยของชีวิตเกือบจะไปไม่รอดทีเดียวและวเพราะนั้นเราก็ควรที่จะพิจณาแต่บางคนสลบแล้วฟื้นขึ้นมายังถามว่าเป็นลูกหญิงหรือลูกชายนี่คือแสดงถึงความรักเะนั้นท่านรักเรามากรักยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งสิ้น พยายามประคับประคองต้องตั้งแต่อยู่ในคันจนกระทั่งมาออกจากคันมาท่านก็ประคับประคองทุกสิ่งทุกประการในตังสมัยเราเกิดมามาพัลอดออกมาใหม่ๆนั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรท่านก็ประคับประคองทุกสิ่งทุกประการด้วยความลำบากอดขับตาอัดหลับขับตานอนสารพัดอย่างเพราะความรักจนกระทั่งว่าเรามีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนี้อันนี้จะท่านทั้งหลายลองพิจารณาว่าความรักของท่านท่า น, านลำบากพวกเราขนาดไหน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 ยามลูกหายแม่ห่วงคอยดวงตายามลูกมาแม่ลดหมดห่วงใหญ่รักของใครไม่เท่าสักรักของแม่รักแม่แท้แม่รักอยู่ไม่รู้ส้างศัตรูร้ายก็ไม่กลายมากันกลางถึงรักนางรักนายก็ไม่เกินแม่รักยศรักสัตร์อาคตานรักการงานสารพันรักสันเสริญรักสนุกทุกสถานรักสำราญเทินรักไม่เกินรักแม่รักแท้เอยนี่ฉะนั้น เราท่านตั้งหลายควรที่จะได้พิจารณาว่าอาพระคุณของท่านนั้นมากน้อยแค่ไหนเราไปบินทบาตนั้นก็ได้กติอันหนึ่งคือว่าทําให้เรารู้สึกสํานึกในพระคุณของแม่ของเราเราก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่ของลูกที่ดีต่อไปตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติธรรมทุทิศส่วนกุศลแผ่คุณงามความดีให้ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเรานั้นได้มีอ่ จิตใจในทางดีทางงามขึ้นไปหรือว่าเราสามารถที่จะไปอบรมสอนท่านให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีก็จะเป็นมหากสุอันยิ่งใหญ่นี่ประการที่สามผลที่ได้จากการบิณฑบาตประการที่สี่ก็คือทำให้รู้สึกสาทาให้เราเห็นทุกในการบิณฑบาต อันนี้ก็หมายทั้งว่าผู้ปฏิบัติกรรมฐ า, านเนี่ยจะเห็นทุกเรื่องง่ายเพราะการบินทบาทนั้นจะต้องได้รับความลําบากหลายอย่างหลายประการตั้งแต่เราออกไปบินทบาทต้องไปทางดีบ้างทางไม่ดีบ้างบางครั้งบางทีก็ต้องไปเหยียบอะไรต่ออะไรกว่าจะได้แต่ละทัพพีกว่าจะได้แต่ละอย่างแต่ละอันเนี่ยก็ต้องอาศัยการเดินทางไปไกลพอสมควรเนี่ยจะได้เห็นว่าอ๋อการแสวงหาอาหารนี่ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายๆ ย, ยิ่ง ในกรุงเทพมหานครในบางแห่งเนี่ยเดินจนกระทั่งว่าเหงื่อไหลคลายา ย, ย้อยได้หนึ่งทัพพีบางทีก็ไม่ได้อะไรเลยก็มีเนี่ยมีหลายองค์ที่เคยไปบินธบาตแล้วไม่ได้อะไรเลยก็มีอันนี้จะเห็นว่าการแสวงหานั้นล้วนแต่ทําให้มีแต่ความทุกข์แต่เราไม่ได้พิจารณาเราก็ไม่เห็นมันเป็นความทุกข์เมื่อเราเห็นทุกข์อย่างนี้เราก็จะได้พิจารณาถึงวิธีการในการที่จะทําอย่างไรหนอจึงจะอ่า ให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆเนี่ยก็จะได้เห็นธรรมะเห็นอริยสัจเกิดขึ้นได้ตามสมควรนี่ทําให้เราเห็นทุกข์ในการสเสวงอาหารเรียกอาหารปรายยติทุกข์และประการสุดท้ายคือประการที่ห้าที่ได้จากการบิณฑบาตก็คือทําให้รู้สึกสํานึกในหน้าที่ตนของตนหมายความว่าหน้าที่ของภิกษุนี้ก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติและก็เผยเผแพร่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่เราไปอย่างนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า ผู้ที่มาใส่บาตรศรัทธาที่มาใส่บาตรนั้นเมื่อก่อนที่จะใส่บาตรนั้นท่านก็อธิษฐานแล้วอธิษฐานเราบางคนได้ยกจบขึ้นอธิษฐานให้อย่างนั้นให้ได้อย่างนี้ให้ได้กุศลให้มีอะไรต่ออะไรอธิษฐานอย่างดีก่อนที่จะใส่บาตรลงไปก็คือต้องการได้บุญได้กุศลนั่นเองเขาจึงอธิษฐานเช่นนั้น เนี่ยถ้าผู้ที่จะหลาดพระที่จะหลาดเห็น Ά, ผู้ที่ใส่บาตรได้ตั้งใจอธิษฐานเช่นนั้นก็จะนึกสํานึกได้ว่าโอ้ที่เขาอธิษฐานอย่างนั้นก็คือต้องการที่จะได้บุญในกุศลแน่แท้ตอนนี้เราเป็นเนื้อนาบุญของเขาแล้วหรืออย่างนี่จะได้มีความรู้สึกสํานึกแล้วว่าเราเป็นเนื้อนาบุญของเขาหรืออย่างนีเขาอธิษฐานอยากได้บุญเนี่ยเราเป็นเนื้อนาบุญแล้วหรืออย่างก็ต้องมาพิจารณาตนเองว่าเป็นอย่างไรแลาจะเห็นว่าข้าวที่เขาได้มานั้นไม่ใช่ได้มาโดยง่าย นะถ้าพูดถึงชาวนา MM แล้วก็จะต้องเริ่มตั้งแต่การไถการหว่านการดำ <ầ> นากว่าจะได้อะไรขึ้นมาต้องอาศัยใช้เวลาถึงหลายเดือนนากว่าจะมาเป็นมาเม็ดข้าวกว่าจะเกี่ยวกว่าจะเอาขึ้นมานวดกว่าจะเอาขึ้นช้างขึ้นยุ่งกว่าจะมาเป็นเขาขาวใส่บาเนี่ยแม่ต้องมีขั้นตอนหลายเดือนจะได้มานี่หรือว่าผูดถึงในทำนากว่าจะทำงาน ได้ปัจจัยได้เงินไปซื้อข้าวมาก็ไม่ใช่ง่ายนี่เราจะเห็นว่าอ๋อเขาอยากได้บุญเพราะว่าเขาหาได้มาโดยยากเขาจึงเป็นเช่นนั้นฉะนั้นเราก็จะได้รู้สึกสำนึกว่าเราควรที่จะเป็นผู้รับแล้วที่ดีแล้วหรื อ, อยังเราเป็นเนื้อเนื้อนาะบุญที่ดีแล้วหรื อ, อยังจะได้แก้ไขปรับปรุงตนของตนเองให้ดีขึ้น าการปรับปรุงตนของตนเองที่ดีขึ้นก็คือว่ากิจวัตรสิบอย่างที่มีอยู่นั้นเราได้ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แล้วหรื อ, อยัง เน่ถ้ายังไม่สมบูรณ์เราก็จะไปปรับปรุงแก้ไขตั้งใจประพฤติปฏิบัติบิณฑบาตลงโบสดไม่ขาดทําวัดสวดมนต์ไม่ขาดาศึกษาเราเรียนปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติตครูบาอาจารย์พิจารณาปัจเปจเวคขณะทั้งสอยู่เปรวะวัติกรรมอะไรไรจะได้ทําให้สมบูรณ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นนี่จะได้รู้สึกอย่างนี้นั่นการบิณฑบาตจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ไม่ควรที่จะละไม่ควรที่จะทิ้ง ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะไปได้คือเดินได้อะไรได้ก็ควรที่จะปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอเว้นแต่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่าที่เห็นอยู่ปัจจุบันนั้นโดยมากก็ผู้ที่ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสเป็นพระครูเป็นอะไรก็ไม่ค่อยจะบินเท่าไหร่หรอกเพราะขี้เกียจ ม, มีคนเอามาส่งแล้วก็ไม่ไปบินทำบารแต่พราะมันถ้าหากว่าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าไม่รู้เท่าไหร่และเพราะท่านไม่มีกิเลสแล้ว พ, พุทธเจ้านั้นเป็นศาสตาของมนุษย์เทวดาดังที่กล่าวแล้ว ก็ยังบินธบาตแล้วอะไรพวกเราที่เป็นปุตุชนได้รับหน้าที่เพียงแค่นี้จึงละเลยกันเช่นนั้นนั้นก็ไม่ควรที่จะละเลยแล้วก็บินธบาติฉะนั้นการบินธบาตเลี้ยงชีพนั้นก็เป็นอนุศาสตร์อันหนึ่งที่ภิกษุบวชเข้ามาใหม่จะต้องรู้ต้องเข้าใจและก็การอบอกเกี่ยวกับการที่เราจะต้องมีเครื่องนุ่งห่มเรียกว่าจีวรนั้นึ่งผ้าบางสกุลจีวรนะบางสกุลจีวรผ้าบางสกุลนี้ก็คือผ้าที่ตกเกลือกกลัวอยู่ตาม ขย ะ, ะมูลฝอยพิสูจเก็บเอามาซักเอามาตัดเอามาเย็บเอามาย้อมเป็นจีวรใช้ในสมัยครั้งก่อนก็เรียกว่าบางสกุลจีวร น, นี่ก็จะต้องรู้ว่าอย่างไรแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ถึงกับจะต้องไปแสวงหาบางสกุลอบางสกุลจีวรเช่นนั้นหรอกเพราะว่าบางสกุลจีวรเช่นนั้นเนี่ยเรารู้สึก ร, รู้สึกว่าอ่าปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยทํากันแล้วอที่จะต้องเอาไปแก้หรือไปดึงออกมาจากซากศพที่เขาคลุมว่าเขา พันธุซากศพเอาไว้หรือก็ทิ้นไว้ที่ไหนเนี่ยลำบากปัจจุบันก็มีผู้ที่มีศรัทธาได้ถวายแล้วก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทําได้ mm hmm. นะอยู่โคนไม้ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้อยู่โคนไม้แล้วเราก็อยู่กุฏิวิหารซึ่งมีวัดวาอารามเป็นที่อยู่อาศัยผู้มีศรัทธาได้สร้างสร้างเอาไว้เราก็อยู่อาศัยอย่างสบาย mm hmm. ก็จําเป็นจะต้องอยู่ อ, อย่างนี้แหละก็เป็นเรื่องที่ภิกษุจะต้องเข้าใจ แล้วก็ฉันยาดองด้วยน้ำมูดเนา่าประการที่สี่เกี่ยวกับนิสัยสี่ก็หมายความว่าเราเป็นอยู่นี้ก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตามสมควรก็สมัยครั้งก่อนพุทธกาลก็ใช้ยาดองด้วยน้ำมูดเนา่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราก็คงบริโภคไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของที่ <c oughs> น้าสยะกะแยงอยู่บ้างเหมือนกันสาหรับปุถุชนก็กินได้ยากฉันได้ยากเหมือนกันแปัจจุบันก็ ไม่ถึงกับฉันยาดองเนยนะมุดเน่าเพราะว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จเจริญก้าวหน้ามาเราก็มียาประเภทต่างๆในการที่จะบําบัดอาภ า, ภาษเจ็บไข้ได้ป่วยได้ก็มีอยู่ฉะนั้นนิตยสัย4ี่ซึ่งเป็นกรณียกิจเป็นกิจที่ภิกษุควรปฏิบัติหรือเป็นเครื่องอาศัยของภิกษุที่แบบนิตย์สายสี่นั้นก็มีบินทบาทเลี้ยงชีวิตนุ่งผ้าบางสุกุ้นอยู่โคนไม้ฉันยาดองเนยนะมูดเน่า ทั้งสี่อย่างนี้เป็นกิจที่บัญปชิดควรประพฤติปฏิบัติควรกระทำในการที่เราจะดํารงชีวิตอยู่ในการประพฤติฟร่มฟันยอย่างไรและก็อกตรณหนากิจสีซึ่งเป็นกิจที่ว่ากิจอันภิกษุไม่ควรประพฤติหรือปฏิบัติไม่ได้หรือว่าอคตรณหนากิจนะกิจที่ภิกษุทําไม่ได้ก็มีอยู่สี่อย่างได้แก่เศพเมถุนหนึ่งนะเศพเมถุนหนึ่ง คือเอาสิ่งของเขามาได้ให้เรืยอการแห่งขโมยหนึ่งฆ่าสัตว์หนึ่งพูดอูดคนพิเศษที่ไม่มีในตนหนึ่งนี่สี่อย่างนี้ภิกษุทําไม่ได้เลยนะภิกษุทําไม่ได้เลยเป็นกิจที่ไม่ควรทํา<ม>เช่นเสพในถุนเนี่ยก็หมายถึงว่าการประกอบกิจกรรมอันเป็นของคนคู่นะนี่ภิกษุทําไม่ได้ขาดจากการเป็นภิกษุทีเดียวจะเสพในอะไรก็แล้วแต่ก็ทําไม่ได้ ในภิกษุบทใหม่ก็พึงเข้าใจนะเศษเมตุนและก็รักของเขาเนี่ยรักไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แหละของของคนอื่นแล้วเขาก็ไม่ได้ให้แล้วก็ไม่ควรเอาทั้งสิ้นนะไม่ควรรักไม่ควรขโมยแต่ถ้ารักได้เกินได้ห้ามาสกขึ้นไปคือบาทหนึ่งขึ้นไปก็ขาดจากการเป็นภิกษุแม้จะรักไม่ถึงนั้นเอก็ไม่ควรรักทั้งสิ้นนะภิกษุนั้นรักไม่ได้แต่ว่ารักของคนอื่นไม่ได้ผิด นะเป็นกิจที่ไม่ควรกระทำและก็ฆ่าสัตว์นี่ก็เป็นกิจที่ไม่ควรกระทำเพราะมันประชิดหมายถึงว่าผู้ละผู้เว้นแล้วจากการกระทำความชั่วเราก็ฆ่าสัตว์ไม่ได้จะเป็นสัตว์ชนิดไหนที่มีชีวิตเลืคลานอยู่บนผิวโลกนี้ย่อมมีความรักชีวิตย่อมมีการกลัวต่อความตายเรารักชีวิตเราก็กลัวตายเหมือนกันสัตว์ตั้งหลายก็เช่นเดียวกันฉะนนพระพุทธองค์ก็ได้ทรงสอนให้เรา เว้นเสียจากการฆ่าสัตว์ทุกชนิดแต่ถ้าฆ่ามนุษย์แล้วก็เป็นอาบัติถึงที่สุดนะขาดจากการเป็นพระเลยยันฆ่ามนุษย์ไม่น่าแต่ฆ่าสัตว์อื่นนั้นถึงจะไม่ขาดเป็นไม่ขาดจากการเป็นปิสุกฏสามแต่ก็ไม่ควรฆ่าเพราะว่าเราเป็นพระเป็นบรรณชิตแล้วฆ่าไม่ได้ทําไม่ได้นี่ประการสุดท้ายในอรรณนิยมกิจสี่ก็คือพูดอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตนข้อนี้สําคัญมากนะคือพูดอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตนเนี่ย คนพิเศษนี sol, ้มีหลายอย่างนะเช่นออดอว่าคือเราไม่มีอะไรเราไม่ได้อะไรเช่นเราไม่ได้ฌานอดไมาได้ฌานไม่ได้วิมุตต์ก็อดว่าวิมีไม่ได้วิมุตต์ไม่ได้วิโมกก็อดว่ามีวิโมกหรือว่ามาได้ทำชั้นสูงก็บอกว่าไม่ได้ทชั้นสูงนี่ภิกษุอดไม่ได้อดคนพิเศษไม่มีในตนนะทําไม่ได้เคยมีหลายๆแห่งบางคนเนี่ยไปอดนะว่าแม้จะไม่ใช่คนพิเศษอะไรก็ไม่ควรจะอวด บางคนไม่ไหนทำตรีก็บอกว่าไหนทำตรีไม่ไหนทำโทบอกว่าไหนทำโทไม่ได้ทำเอกบอกว่าไหนทำเอกไม่ไหนมหาปรีญาก็บอกว่าเป็นมหาก็มีเยอะอันนี้ถึงไม่ได้เป็นไม่ถึงที่สุดจากการเป็นพิสุหรอกแต่ว่ามันก็เป็นการพูดปลดเหมือนการพิสุไม่ควรกระทำนะพิสุไม่ควรกระทำฉะนั้นการอวดนี้จึงทำไม่ได้นะในปัจจุบันนี้อท่านทั้งหลายก็ลองพิจารณาดูคนเอทั่วๆไปในมักจะมีลักษณะว่าอวดอ้างตนเองเป็นพระรยาบุคคลบ้างอะไรบ้าง ซึ่งเราปรากฏอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆหรือว่า <c oughs> ตามข่าวต่างๆในมักจะมีพระอราหันต์เกิดขึ้นอยู่ทั่วๆไปแต่ว่าพระอราหันต์เราน้ำเกลืยังสูบบุรีเคี้ยวหมากกันอยู่อันนี้เราจะเห็นว่าพระอราหันต์อะไรกันนักหนาถึงจะเคี้ยวหมากสูบบุรีกันนี่พระอราหารันต์ต้องไม่มีกิเลสแล้วทันะแล้วท่านบริโภคแต่สิ่งจําเป็นแก่ชีวิตที่จะให้ชีวิตดํารงอยู่เท่านั้นเช่นอาหารอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นได้ว่าคนทั่วๆไปที่ยังมีอยู่ที่ยังเข้าใจผิด ไปเลื่อมสายพูดี่อ้างตัวเองเป็นอริยะต่ออะไรต่ อ, อไรเนี่ยก็พึงเข้าใจพระเราอวดอ้างไม่ได้ไปอวดอ้างว่าเป็นนั้นเป็นนี้ได้สําเร็จชั้นนั้นได้สําเร็จชั้นนี้ทําไม่ได้แม้แต่จะไปบอกเลขบบอกหวยคารวะบ่ายจะต้องออกอย่างนั้นจะต้องออกอย่างไรก็ไม่ควรทั้งนั้นเลยเนี่ยภิกสุทําไม่ได้ฉะนั้นภิกสุที่บวชเข้ามาใหม่เนี่ยอุปช้าจะต้องสอนให้รู้เลยว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะต้องปฏิบัตินะเสพแมตุนไม่ได้ ล่กของเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้พูดอวดคุณพิเศษไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายแก่การพ ร, ระพุทธมรรจันย์ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจในเบื้องต้นแล้วก็จะเป็นเหตุให้กระทำผิดเมื่อกระทำผิดแล้วก็ขาดจากการเป็นภิกษุเมื่อขาดจากการเป็นภิกษุแล้วจะทำอย่างไรก็ทำอย่างไรไม่ได้แล้งแก้ไขไม่ได้เมื่อแก้ไขไม่ได้ก็เป็นของธรรมดาว่าขาดไปแล้วก็จะต้องลาสิกขาไปเนะ นั้นเราต้องรู้ด้วยว่ากิจทั้งสี่อย่างเรียกว่ากรรณากิจนี้ภิกษุทําไม่ได้ถ้าทำเข้าไปแล้วมันก็ขาดจากการเป็นภิกษุนะไม่เป็นภิกษุภาวะในพระพุทธศาสนาอ่าฉะนั้นอ่ทาทั้งนิสัยสี่นิสัยสี่นั้นเป็นสิ่งที่เราอ่าควรปฏิบัติอ่ากรรณากิจสี่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําเพราะทําไปแล้วอาจขาดจากการเป็นภิกษุได้เนี่ยอุปัชายะจะต้องสอนในเบื้องต้นแห่งการ อุปสมบทเสร็จใหม่ๆจะต้องสอนทันทีถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเป็นอันตรายแก่ผู้ที่บวชเข้ามาใหม่ทีนี้มีปัญหาก็จะได้กล่าวเป็นลักษณะสรุปท้ายในในการอุปสมบทนี้เพื่อย้ำอีกครั้งหนึ่งให้ท่านทั้งหลายที่กำลังศึกษาธรรมชันตรีได้กำหนดจดจำในข้อสำคัญสำคัญเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องอนุสสาร <c oughs> ถ้าหากว่ามีคำถามว่าอะไรเรียกว่าอนุศาสต์อย่างนี้เราจะตอบกันไปอย่างไงเนี่ยอันนี้ก็ตอบได้ไม่ยากนักนะอนุศาสต์ก็คือคำพร่ำสอนคำตามสอนที่อุปชัยยะพึงสอนแก่สัตว์ที่วิหาริกอันเตวาสิผู้อุปสมบทเสร็จใหม่ๆแค่นี้ก็ได้เนี่ยนี้อนุศาสต์ที่ว่าเนี่ยนะทำไมจึงเรียกว่าอย่างนั้น เขาจะถามว่าทําไมจึงเรียกว่าอนุศาสตร์ก็เราก็ตอบได้ว่าอานิสัยสีเนี่ยเที่ยวบินมีการเที่ยวพิธาบาดเป็นต้นกับองค์กรยกิจศาสี่มและก็มีการเสพเมทุนเป็นต้นเนี่รวมเรียกกันว่าอนุศาสตร์หมายถึงว่านิสัยสี่กับยุทธศาสตรสี่นั้นรวมเรียกกันว่าอนุศาสตร์เพราะเป็นกิจที่อุปชายยะจะพึงรีบสอนให้ผู้อุปสมบทใหม่รู้ไว้ในเบื้องต้น มิฉะนั้นผู้ประสมบทใหม่ไม่รู้อาจาไปพลาดพลั้งถึงกับขาดจากความเป็นปิสุก็ได้และเมื่ออเพื่อให้สมกับที่ว่าเป็นคําสั่งสอนในเบื้องต้นนั้นนี่จึงเรียกว่าชื่อว่าอนุศาสตร์แปลว่าคําตามสอนนะคําตามสอนอย่างนี้นี่ถ้าหากให้เข้าใจอย่างนี้นะการอที่เราจะเข้าใจอนุสาสตร์อย่างไรก็อ่ฝึงจําอย่างนี้ทีนี้ถ้ามีคําถามว่า พออุปสมบทใหม่และเสร็จแล้วใหม่หมอุปชายะประบอกอนุสาสตร้ อ, อ, นตรอนี้หมายความว่าอย่างไรอันนี้เราก็ตอบได้ว่าอนุาสาตรแปอย่างนั้น<ม>ก็มีการเที่ยวบินทบาทต้องห่มผ้าบางสกุลอยู่คนไม้ฉันยาดองในน้ำหมูดเน่อาอ่าสีอย่างนี้เรียกว่านิสัยอีกดีหมวดหนึ่งและก็อกตันิยกิจสี่คือเาศษเมถุนฆาสัดลักทรัพย์อวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตนนี่อย่างนี้ก็เรียกว่ากิจอันพิสุทำไม่ได้อีกหมวดหนึ่ง ดังนั้นทั้งสองหมวดนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่พิสุจะต้องทราบเสียก่อนตั้งแต่แรกนะดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเพื่อประโยชน์ในการที่จ ะ, ะดำรงชีพอยู่อย่างไรของสมณะและก็เพื่อจะได้รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สมณะไม่ควรกระทำทำไปแล้วมันขาดจากการเป็นพิษุอย่างนี้ดังนั้นเราก็พึงจดจำเอาไว้นี้ถ้าหากว่ามีคาถามว่าเครื่องอาสัยของบรรพชิตน่ะทางพระวินัยเนี่ยมีเพียงสี่ แต่ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ทําไมค่อนข้างจะมากแล้วในกานองเนี้ยถ้าเขเกิดมีปัญหาถามมาอย่างนี้เราก็ก็ตระ ว, ว่าไม่มากไม่เกินเฮ้ยไม่เกินไม่มากหรอกนอกจากอัณาบริการที่เราใช้อยู่เนี่ยทั้งหมดแล้วก็รวมแล้วก็อยู่ในปัจจัยสี่นั่นเองที่จริงเมื่อเราดูมันมากออกไปเฉยๆแต่ว่าถ้ามาสรุปแล้วก็มันก็ไม่มีอะไร ม, มันก็เพียงแค่ปัจจัยสี่นั่นเองนะไม่ได้มากไปกว่านี้หรอกี่เรื่องอันนี้แล้วก็เอกิจ ที่จะฟืงได้จากการบินธบาตินั้นก็คงจะจําได้แน่แล้วนะว่าถ้าเกิดเขาถามมาว่าการบินธบาตินั้นได้ประโยชน์กี่อย่างอะไรบ้างเราก็ตอบได้การบินธบาตินั้นได้ประโยชน์ถึง5ประการก็คือประการที่1ได้เจริญตามรอยยุบผลบาตของพระพุทธเจ้าประการที่สองได้มีโอกาสออกมีโอกาสออกออกําลังกายในตอนเช้าประการที่สได้รู้สึกสํานึกในพระคุณของแม่ประการที่4ี่ได้เห็นทุกในการแสวงหาการบินธบาต หรือสุขแข็งหาอาหารประการที่ห้าก็ทําให้รู้สึกสํานึกในหน้าที่ตนของตนนี่ทีนี้นอที่ว่าบางสกุลจีวรบางคนอาจจะเกิดความขัดข้องไม่เข้าใจว่าบางสกุลจีวรมันคืออะไรเขาถามมาอย่างนี้ก็โดยส่วนมากแล้วเราก็ไม่เข้าใจบางสกุลจีวรมันคืออะไรบางสกุลจีวรนั้นก็คือผ้าบางสกุลอได้แก่ผ้าทีา่หาเจ้าของไม่ได้เนี่ยหมายถึงผ้าที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ที่ทิ้งเกลือกั้วอยู่กับฝุ่นโดยความเป็นขยะมูลฝอยนะมันตกเรียยราดเดชพิกสุก็เก็บเอามาซักเอามาตัดเอามาเย็บเอามาทำเป็นจีวรใช้เรียกว่าผ้าบางสกุลจีวร น, นะนี้ถ้าเกิดมีปัญหาถามขึนมาอีกว่ากิดอะไรเล่าที่ภิกษุทำไม่ได้หรือไม่ควรกระทำอย่างนี้เราก็ตอบได้โดยไม่ต้องยากเลยก็กิที่ ภิกษุทำไม่ได้เนี่ยเรียกว่าอคตรนิกิจนะกิจภิกษุทำไม่ได้กิจที่ทำไม่ได้แต่เพ่งดูแล้วตามตามพยัญชนะของว่าอากตรนิกิจเนี่ยก็คือกิจอันไม่ดีไม่งามแก่สามณะนั่นเองคือภิกษุไม่ควรทำเปีอากิจอะไรที่ภิกษุไม่ควรทำก็ชื่อว่าอคตรนิกิตทั้งสิน้นแต่ว่าที่กล่าวไว้ในอศาสตร์โดยเฉพาะที่สำคัญสำคัญเครียงแค่สี่อย่างเท่า น, นั้นเองนะ จริงๆอย่างอื่นที่ไม่สําคัญก็มีมากแต่ก็ไม่ได้กล่าวไว้ก็กล่าวไว้เฉพาะที่สําคัญสําคัญที่เราจะต้องรู้ต้องเข้าใจในการที่เราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพราะฉะนั้นอท่านทั้งหลายก็ตึงทราบนะว่ากิจไม่ควรทํานั้นไม่ใช่มีแค่สี่มีมากกว่าสี่นะแต่ที่เอามาใช้เอามาไว้ในอนุศาสตร์นั้นก็เป็นข้อสําคัญข้อใหญ่ที่เราจะต้องเข้าใจและรู้ไว้ในการที่จะปฏิบัติในเบื้องต้น แล้วเราจะได้ศึกษากษิจอื่นๆต่อไปก็ค่อยศึกษาไปเรื่อยๆก็จะได้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษากันและก็อกรณียกิจสี่เนี่ยกับปรารชิกเนี่ยถ้าจะถามว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรหรือเหมือนกันอย่างไรข้อนี้ก็มีการแตกต่างกันบ้างแล้วก็มีการเหมือนกันตามสมควรข้อต่างกันคือโดยที่หมายความกว้างและก็ความแคบ่างกันโดยบางข้อ เช่นในข้อลักทรัพย์นี่ในกรณีกรกิจนั้นไม่ได้พูดบรรละมีกําหนดเท่าไร่แต่ว่าในปราชิกสี่นั้นก็บอกไว้ชัดเจนเป็นต้องมีราคาห้ามาศกขึ้นไปก็ในข้ออื่นเช่นข้อฆ่าสัตว์ในกรณีการกิจก็ไม่ได้บอกว่าฆ่าสัตว์จะพวกไหนหนักเบาอย่างไรก็ไม่ได้บอกแต่ว่าในปราชิกสี่นั้นบอกไว้ชัดเจนเลยว่าฆ่ามนุษย์นั้นต้องปาราชิกอย่างนี้เป็นต้นนั้นก็มีความแตกต่างกันกว้างกว่ากันอย่างนี้ก็ เอ่อพึงเข้าใจเช่นเดียวกันอาฉะนั้นในวันนี้ก็ได้พูดถึงาการที่หนึ่งคืออุปสัมบทาหมายถึงการอุปสมบทให้นักศึกษานักธรรมท่านอาชันตรีทั้งหลายได้ทราบและก็พึงกําหนดในบทสําคัญสําคัญว่าวิธีอุปสมบทนั้นมีเท่าไหร่มีสามประการก็จดจาำมาไว้สามประการนั้นคืออะไรบ้างและก็สงที่ให้การอุปสมบท นั้นหมายถึงสงอย่างไรและการอุปสมบทจะสําเร็จได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติอย่างไรบ้างนี่เป็นสิ่งสําคัญและก็อนุสาดซึ่งเป็นก็สิ่งสําคัญที่พิสูจนผูบ้บวชใหม่จะต้องรู้ต้องเข้าใจว่ามีเท่าไหร่ควรทําเท่าไหร่ไม่ควรทําเท่าไหร่จดจําเอาตรงนี้แล้วก็นําไปในเป็นเอให้เป็นข้อในการที่เราจะกําหนดจดจําเพื่อ ะจะได้ใช้ในเวลาที่เราเข้าสอบนรรมต่อไปวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเก่เวลาก็ขอยุติการกล่าววินันในการที่หนึ่งเอาไว้เพียงเท่นี้ขอความสุขความเจริญจงมีเดชท่านทั้งหลายทุกทุนหน้าก็ขอสวัสดี